ได้เป็นหนึ่งใน24คนจากสามพันกว่าคนถากำลังเพื้อนหญิงแค่เอื้อมเราแค่ต้องคว้ามันมาให้ได้มันเป็นได้เป็นหนึ่งใน24คนจากสามพันกว่าคนถ้ากำลังเพื้อนหญิงแค่เอื้อมเราแค่ต้องคว้ามันมาให้ได้มันเป็นได้เป็นหนึ่งใน24คนจากสามพันกว่าคนถ้ากำลังเพื้อนหญิงแค่เอื้อมเราแค่ต้องคว้ามันมาให้ได้มัเป็น